ภาพร่างกายเป็นภาระเกิดมาช่วยตัวเองยังไม่ได้พ่อแม่มาช่วยบ้ากว่าจะโตมากว่าจะลุกได้กว่าจะเดินได้กว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งดืง่มทั้งกินทั้งขับทั้งทายทั้งนุ่งทั้งหม่มทั้งรู้จักรักษาเมื่อรักษาตัวกว่าจะโตขึ้นมารู้เรื่องรู้ราวมันลาําบากถึงขนาดนั้นแล้วก็าตามโตมาแล้วก็ยังเป็นภาระอยู่ ต้องดูแลกันต้องช่วยดูแลต้องช่วยรับผิดชอบต้องอะไรต่ออะไรกันเพราะร่างกายนี้มันกองทุกข์ได้ร่างกายมาคือได้กองทุกข์มาได้กองภาระมาต้องแบกต้องหามถ้าเว่าเป็นภาระหนักกาคันห้านี่เป็นภาระหนัก<ม>เป็นภาระหนักเราต้องแบกต้องหามทุกวันอยู่สุขสบายตามภาวะความเป็นไปของมัน มันก็พออยู่พอเป็นพอไปหากมีเรื่องขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระแหละบางทีก็โรคภัยไข้เจ็บบางทีก็อุบัติเหตุอุบัติภัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นภาระแหละตัวเองก็เป็นภาระเสียเวลาเวลาทานู่นทานี้คนอื่นก็เป็นภาระต้องคิดตามต้องตามดูต้องตามส่ง มันเป็นภาระทั้งนั้นแหะมีกองทุกข์ท่านให้เราดูกองทุกข์ทั้งนี้ท่านให้เราดูนะท่านให้เราพิจารณาร่างกายนี้เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์มันทุกข์ยังไงก็ดูไดเห็นทุกข์ระยะอยู่แล้วเนะี่ยถ้าหากเราไม่เพลินไม่เพลิดเพลินไปตามกิเลสตัณหาเนะี่ยมันที่รังราสากาตาเนะี่ย ตตราตตราพิบัติดีถ้าเราไม่เพลินเพลิดเพลินไปตามกิเลสตัณหานั้นเราพอจะเห็นกองทุกข์บ้างถ้าเราไม่ดูมาไม่เห็นเราก็อยู่ด้วยความเพลินความเพลินคือความหลงหลงไปกับตากับรูปกับกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสกับอะไรตัวอะไรหลงไปดีหลงไปจนลืมตายก็มี บอกหลงจนลืมตายนะเนี่ยบอกตายง่ายๆตายง่ายๆลืมระมัดระวังเนื้อรักระมัดระวังตัวเหมือนอย่างที่ข่าเขานะั่นแหะตายกันเป็นกองกองน่ะภาระของร่างกายรูปคือสิ่งที่จะต้องแตกจะต้องทําลายรูปรูปปังรูปปังอนิจจังรูปปังทุกขงังรูปปังอนัตตารวมเป็นตัวทุกเป็นกองทุกเป็นก้อนทุก ดูมาเห็นมันทุกข์ยังไงแล้วก็รู้ดูมาที่กายของเรามันเจ็บตรงไห น, ห น, นมั น, ว น, น, มนปวดตรงไหนสักหน่อยหนึงมันก็ปวดอุจจาระสักหน่อยหนึ่งมันก็ปวดปัสสาวะสักหน่อยหนึ่งมันก็วินหัวสักหน่อยหนึ่งมันก็หิวหิวน้ากระหายน้ำสักหน่อยหนึ่งมันก็หิวอาหารกระหายอาหารสักหน่อยหนึ่งก็ต้องบริหารบริหารทำอย่างนั้นให้มันทาอย่างนี้ให้มัน กองทุกก่อนทุกถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่เห็นถ้าเราไม่ทุกถึงกับขั้นที่ว่าต้องเจ็บต้องปวดโอยๆแล้วก็ส่วนมากจะไม่ค่อยจะดูตัวเองะไม่ค่อยจะดูรักษารในรักษาตัวของตัวเองปล่อ ย, ยจิตใจเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ชวนให้เพลิดเพลินนั่นแหละไปกับกิเลสกามทั้งหลายนั่นแหละทั้งกลุก่ทั้งเสียงทั้งกลินทั้งรถทั้งสัมผัส สัมผัสดิบสัมผัสดีสัมผัสจนลืมเป็นลืมตายบางทีมันกองทุกข์เห่านั้นแหละเพราะยันภาคปฏิบัติเราดูเลยแหละภาคปฏิบัติดูร่างกายพิจารณาร่างกายตามดูร่างกายเอาสติกำหนดจดจอ่อตามดูร่างกายเข้าไปร่างกายมันเป็นยังไงก็ยอมรับตามภาวะของมันมันเป็นยังไงก็ยอมรับตามภาวะความเปลี่ยนไปของมันที่เรียกว่าตามดูกาย พิจรารณากายตามดูกายตามพิจรารณากายกายจนเห็นสัตว์เทวกายกายกับสัตว์ก็เป็นกายเอาสติสติคือผู้รู้คือผู้ระลึกรู้รู้สึกอยู่ตรงไหนก็ระลึกรู้ตรงนั้นแหละรู้สึกตรงไหนระลึกรู้ตรงนั้นสติคือความระลึกได้ระลึกรู้สติคือความโดดเด่นของจิตในขณะที่เปลี่ยนภาวะจากผู้รู้มาเป็นสติ โดดเด่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ท่านเรียกว่าสติบุตรีชาท่านทรงชมเชยมหาสติมหาสติปฐานเนี่ยท่านถึงทรงตรัสไว้ผู้ใดเจริญมหาสติปฐานเนี่ยเจปีเจดเดือนเจดวันเจวันเป็นอย่างเร็วหนึ่งวันสองวันเป็นอย่างเร็วเจ็ดวันเป็นอย่างเร็วสองเดือนสมเดือน ถึงเจ็ดเดือนถึงเจดปีเป็นอย่างช้าอั น, นสองการเจริญมหาสกิปัฏฐานเจ็ดปีเป็นอย่างช้าต้องไดอริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งไม่โสดากะสกิฏาคขาคืออนาคาหรือไม่ก็เป็นพระอรหันต้องได้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องอยู่ในร่องรอยต้องอยู่ในกรอบของมหาสติที่ท่านทรงตรัสไว้ ไปอ่านดูในมหาสติปัฏฐานทั้งสมหาสติปัฏฐานทั้งสี่เรามากำหนดตัวไหนเป็นตัวสำคัญกับตัวสตินั่นแหละสติเป็นตัวทำงานเป็นหัวจัดในการทำงานสติกับสัมพัชัญญาสติระลึกรู้ขึ้นมาสัมพัชัญญากรองเข้าไปแต่ถ้าถ้าหาเราปล่อยให้สติระลึกยับแล้วก็ผ่านไป มีอารมณ์ใหม่ขึ้นมาปกติยับก็ผ่านไปยับก็ผ่านไปถ้าเรามีสติดีเรามีสัมปชัญญะดีเราก็ทันทันอะไรล่ะทันกิเลสตัณหาที่มันแสดงออกมาที่ใจความอยากมันโผล่มาปั๊บสติระลึกรู้ทันระลึกรู้ทันแล้วมันก็ดับระลรู้ทันแล้วมันก็ดับอารมณ์ตัวนั้นดับไปและอารมณ์ตัวนั้นเป็นตัวเก่าดับไปแล้วอารมณ์ตัวใหม่เกิดขึ้นมาอีกสติก็หนดจับอี เอาสติตั้งอยู่เหมือนกับยัยัยบยับ ย, บ ย, บยบอะไรผ่านมาก็ให้เราทราบเหมือนกับยับยับยับยบัเวลาตัวอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันตกค้างอยู่ภายในใจมันแสดงโดง่งโดดเด่นมาที่ใจเราก็ทราบทันทีแสดงปับ๊บโดยวิสัยของใจที่มันมีกิเลสมันเต็มแปร่ชุม่มแปร่ไปด้วยกิเลสไปด้วยความรักไปด้วยความชังไปด้วยความรุ่มหลง มันมอยู่ภายในจิตบทบาทของมันมันสแสดงอยู่ทุกวันทุกเวลานาทีถ้าเราไม่ดูไม่ดูมันสแสดงออกมาก็เราก็ไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ดูแต่ถ้าเราตามดูด้วยสติเอาสติกำหนดจดจอ่อแล้วก็ตามดูก็ไปพิจารณากายก็เอาจิตในหมาพิจารณากายสติระลึกรู ก, กายกายยืนกายเตินกายนั่งกายนอน สติระลึกโูกายไปดูหลายบับ พ, พักที่ท่านให้กําหนดพิจารณากายรวมมาถึง ล, งลงมลมหายใจเข้าลมาหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นไปดูท่านสอนไว้หมด ม, มันเป็นอารมณ์ได้ทั้งสมถะคือทำจิตให้สงบ มันเป็นอารมณ์ได้ทั้งมากคลี่คลายให้เกิดวิปัสนาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจสติมากำห น, นจดจุดจ่อเพื่อลดเพื่อตัดกระแสะของอารมณ์ที่รุนแรงสแสดงออกมาในแง่ของความโลภแสดงออกมาในแง่ของความโกรธสแสดงออกมาในแง่ของราคะตัณหาที่มาสแสดงโผล่ออกมาที่จิตมนเมื่อเราตั้งสติไว้โร่ออยู่เนี่ย สิ่งเหล่านั้นผ่านมาคือมันแสดงออกมาตามความอยากของมันที่มีอยู่ภายในจิตแสดงออกมาปั๊บเราก็รู้ปั๊บแสดงออกมาปั๊บเราก็รู้ปั๊บอะไรผ่านมาปั๊บเราก็รู้ปั๊บอะไรผ่านมาปั๊บเราก็รู้ปั๊บรู้แล้วก็ดับไปดับไปแล้วก็รู้อันใหม่มันใหม่โผล่ขึ้นมาพอรู้ปั๊บแล้วก็ดับไปสิ่งนั้นตกไปแล้วเป็นสัญญาอารมณ์ อันนี้คือเราอาศัยสติตามรู้ตามกำหนดตามพิจารณากิเลสมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วรู้ปั๊ถ้าหากโผล่โผล่มาแล้วก็ให้เรารู้เราจับได้จังๆเนี่ยมันยุบมันย่อลงไปเลยทำจิตใจของเราเนี่ยเบาเหมือนกับว่ามันหมดกิเลสมันหมดแรงกระแสของกิเลสมันหมดแรงที่เราพอมันไม่เจอเจอกับตัวข่าศึกตัวปราปรามัน คือธรรมสติธรรมสติอะไรที่นี่หมายถึงสติธรรมระลึกได้เหมือนกับว่าผู้ระลึกนี่คือผู้หนึ่งอาการของจิตที่มันจะคอยแสดงโดดเด่นมาให้จิตรับทราบนี่เป็นตัวอีกตัวหนึ่งตัวสตินี้เป็นตัวสัมผัจัญญาเรากําหนดจดจ่อขึ้นมานมันกลายเป็นองค์มรรคทางานเวลากําหนดจดจ่อขึ้นมาสติก็อยู่ในนั้น สัมปชัญญะก็อยู่ในนั้นสมาธิก็อยู่ในนั้นปัญญาก็อยู่ในนั้นรวมกันพร้อมกันที่จะทํางานทําการอยู่จมเพาะหน้าเป็นกองงานอยู่จมเพาะหน้าสติอยู่ในนั้นสัมปชัญญะอยู่ในนั้นเราไม่ดูที่ไหนแล้วก็ดูมาที่จิตของเราในขณะที่เรากําหนดสติรูอยู่เนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นกําหนดสติระลึกรู้ยัดสัมปชัญญะคือความรู้ตัว รู้ตัวที่ไหนรู้ตัวที่กายรู้รู้ตัวที่จิตมันโร่อยู่มันตื่นอยู่มันสว่างสวัยอยู่ที่เขาเรียกว่าชาคโรชาคารสว่างโคร่งตัวอยู่เบาอยู่คล่องตัวอยู่พร้อมที่จะทำงานสมาธิก็อยู่ในนี้พร้อมถ้าเราเกหนดจดจอดตามอารมณ์เข้าไปไปคลี่คลายไปพิจรารณามันก็กลายเป็นปัญญา เพราะฉะนั้นท่านจึงให้กาหนดเ ย, ย็บขมาแล้วก็รับทราบแยบขมารแล้วก็รับทราบอันนี้คือตามพิจารณาเป็นการเจริญสติพอเราทำไปเราทำไปเราทำไปแล้วสติไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของเราแหละสติกลายเป็นอัตโนมัติที่เรียกว่ามหาสติมหาสติพอถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยหมายความว่าเราไม่ค่อยบังคับบัญชาเราไม่ต้องบังคับบัญชาก็ได้สติเป็นไปเอง สติเป็นไปเองสัมปชัญญะเป็นไปเองหรือปัญญาเป็นไปเองส่องใสอะไรมันก็ซึมซึบทราบทะลุไปเลยแตกไปเลยทําลายไปเลยหันไปใส่อะไรก็ส่องทะลุไปเลยหันไปใส่อะไรก็ส่องทะลุไปเลยด้วยพลังของสติสัมปชัญญะด้วยพลังของสมาธิแล้วก็ด้วยพลังของปัญญาสติสัมปชัญญะและสมาธิ ประกอบด้วยอาตมปะคือความภาพเพียนหมุนตัวเข้าไปกลายเป็นตัวปัญญาหมุนไปที่ไหนหมุนไปที่จิตนั่นแหละหมุนกำหนดมาที่จิตอ่ะหมุนรู้มาที่จิตหมุนกำหนดมาที่จิตจิตมันติดมันคล้องอะไรจิตมันติดคล้องกายก็หมุนมาแยกแยกกายนี่แหละหมุนมาสติสัทวารลึกรู้ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนเข้าไปอยู่ในนั้นสติสัทวารลึกรู้ ภาพใที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมานั่นแหละเกลืลอนมันสวมรอยและเกลื่อมสวมรอยขึ้นมาแล้วบางทีก็อาจจะไปหนึ่งขณะอาจจะไปสองขณะอาจจะไปสามขณะพอระลึกรู้พับเหมือนว่ามันตื่นตัวสิ่งเหล่านัน้นดับไปอพอรู้สึกระลึกตัวบ่อยๆครั้งเข้ามันก็เกิดความเฉนิดจมนานขึ้นมาไอตัวกิเลอนอารมณ์ราคะโทสะโมหะที่มันคอยโผล่เข้ามาที่จิตมันก็อ่อนแรงเข้ามาเหมือนกัน มันก็ค่อยๆอ่อนแรงขึ้นมาเพราะมันมีคู่ต่อสู้มันมีคู่ปรับมันเป็นพวกโจรพวกมารพวกสัตว์อสรพิษที่มันชอบซุ่มอยู่ในที่มืดกิเลสตัณหาอาศวะที่มันซุ่มอยู่ภายในจิตเนี่ยมันเปรียบเหมือนพวกโจรพวกมารพวกถ้าเป็นสัตว์ก็สัตว์พวกสัตว์อสรพิษพวกตะขาบแมงป่องก็งูเห่างูจงอางมันชอบอยู่ในที่มืด ทีนี้ถ้าหากเราทําจิตของเราให้มีสติขึ้นมาให้มีสัมผััญญาขึ้นมามีความสว่างสวไวขึ้นมาเหมือนกับเรามีไฟแรนเทียนสูงเนี่ยส่องไปในที่มืดสิ่งเหล่นานั้นก็จะหนีไปหมดหลบไปหมดเราเอาไปส่องใส่อะไรสิ่งเหล่นานั้นก็ค่อยๆหลบไปหมดค่อยๆหนีไปหมดเห็นตัวเห็นตนของมันหนีไปเลยแหละอส่องมาที่จิตของเราแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้มันแทรกเข้ามาเนื่องจากว่า จิตของเรานี่มืดจ well. ิตของเรามัวจิตของเราไม่สว่างสวัยมันค่อยๆแอบเข้ามามันค่อยๆแทรกเข้ามามลโผลที่จิตถ้าหากเราไม่รู้สึกตัวมันก็เอาจิตของเราน่ใช้เข้าไปใช้ไปเกี่ยวกับอะไรใช้ไปเกี่ยวกับราคะมันยุให้เกิดความกำลัดทางจิตมันยุให้เกิดความกำลัดทางกายเราก็ไม่รู้สึกมันแหละยินดีชอบใจเพลินใจไปกับมันที่เรียกว่านันทิราคะนี่ เพลินใจไปกับอารมณ์ที่มันชุบมันแย่เข้ามามันวาดภาพเป็นอย่างนั้นวาดภาพเป็นนี้วาดภาพเป็นอย่างนั้นวาดภาพเป็นนี้เหมือนเป็นตุกเป็นตาเป็นจริงเป็นจังขึ้นมากว่าเราจะ <c oughs> รู้สึกตัวมันก็เอาไปจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วหรือบางคนก็อาจจะเพลินห <c oughs> ลงปล่อยไปกับอารมณ์ที่กิเลสมันสร้างขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเนี่ยก็ทําให้เราเสียท่ามันตลอดแหละกว่าจะรู้สึกตัวกลับมาถ้าเป็นนัก ภาวนาด้วยแล้วก็ต้องได้เครียดแค้นชิงชังให้กับใจเจ้าของเองเพราะหลงเพลินไปกับมันนี่คือจิตที่มืดมืดทึบทึบมัวมัวมองมองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ ม, นมันมักจะแทรกเข้ามาแล้วก็มันเอาจิตไปใช้งานใช้งานเกี่ยวกับราคาตันหาอย่างหนึ่งบางทีก็ไปใช้งานเกี่ยวกับความโกรธอย่างเงี้ยคนนั้นไม่เป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่พอใจคนนี้ไม่เป็นที่ชอบดูอันนั้นก็ขัดดูอันนี้ก็ขวาง ขัดข <departed. |mt|> ้องไปหมดเรื่องของความโกรธโกรกคนนั้นโกรกคนนี้ชิงชังคนนั้นชิงชังคนนี้เนื่องจากไม่พอใจกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้นี่มันแสดงออกมาตันหามแสดงออกมาเกี่ยวกับเรื่องอำนาจของความโกรธจากนั้นความโลภความโลภก็คือความชอบความยินดีความพอใจแล้วก็ความเพลิดเพลินแล้วก็ความไปเสอกเอาไปแสวงหาแสวงหาแล้วโกรยเข้ามาโกรยเข้ามา โผล่เข้ามาเพื่อให้เป็นของเราเพราะมันมีเราเป็นตัวยืนล้วไอ้คาว่าเราเป็นตัวยืนเนี่ยมันขโมยแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาในอมในขณะที่จิตของเรามืดมืดทึกถึกสติก็ น, น้อยปัญญาก็น้อยสมญญามัญชนญาะก็น้อยไม่มีความรู้ไม่มีความสว่างสวายในตัวเองทําให้อสรพิษ ต, ต่างๆวันนี้มันแท็กเข้ามาแทรกเข้ามาใช้จิตแท็กเข้ามาดึงจิตเอาไปใช้กิเลสพวกนี้มันแทรกเข้ามาจิตเอาไปใช้ เอาไปใช้ถ้าเผื่อเราไม่มีข้อปฏิบตัติเป็นข้อต่อรองกับมันนะ่ะแล้วก็เพลินไปเป็นวันวันไปเพลินไปกับเรื่องนั้นเป็นวันวันไปเพลินไปกับเรื่องนี้ไปเป็นวันวันไปกิจที่เอาไปใช้กับสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดระเกิดชังเกิดชอบแสดงได้อํานาจตามความชอบใจของมันนะ่มะมันกลายเป็นวิบากกรรมไปในทางแน่นหนามัน่นคงไปกับเรื่องอกุศลกรรม ชอบนึกชอบคิดด้วยเปลือยไปตามเรื่องไม่มีความรู้สึกแนะ้วรู้สึกตัวว่าอันนี้เป็นกิเลสว่าอันนี้เป็นตัณหาว่าอันนี้ชวนเรานึกชวนเราคิดไปในแง่ของกุศลของในแง่อกุศลจากนั้นแล้วมันก็ชักชวนไปละไปทำสิ่งที่ดีนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ไปทำสิ่งที่ไม่ดีมากๆเพราะโดยอำนาจโดยวิสัยของกิเลสแล้วเนี่ยมันไม่มีอะที่จะทาให้เรา กระทำสิ่งใดลงไปแล้วได้รับความสุขได้รับความเจริญได้รับความเช่มชื่นเบิกบานมีแต่ทาไปแล้วมีแต่ไปมัดไปเกาะเกีย่ยวกับราคาตันหานะฮะมันไปมัดมันไปเกาะอยู่ในเพศอยู่ในวัยที่มีสิ่งเหล่านี้กําเริบเสพสารเนี่ยเดี๋ยวก็มัดเดี๋ยวก็เกาะเดี๋ยวก็ได้เรื่องมา เ, เดี๋ยวก็ได้กองทุกข์กลับมาได้รับกันไปชอบกันไปพอใจกันเดี๋ยวก็ได้กองทุกข์กลับมาแล้ว แต่ในทางที่ดีที่งามก็เป็นไปอย่างบางทีก็ไปได้ในทางที่ไม่ดีไม่นามเป็นเหตุให้เกิดโทษให้เกิดภัยกลับมาได้รับทุกได้รับโทษเหมือนอย่างที่เราได้ยินข่าวกันอยู่นืองเนืองเนี่ยเนี่ยด้วยอำนาจของความรักด้วยอำนาจของความใคร่มันมีพลังมากอมีพลังยิ่งกว่ายิ่งกว่าช้างสารตัวตกมันเอามันไม่อยู่หรอกเป็นก็เป็นตายก็ตาย เวลามันขึ้นขึ้นมานั่นแล้วสิ่งที่จะได้ตอบแทนมาหลังจากประสบสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งที่ได้ตอบแทนมาคือก่องทุกเราดูเถอะกลองพวกมันตามาทุกอย่างโดยที่เราไม่ทราบว่าสิ่งที่มันยั่วยุให้เรากําเรื่เสืบสารไปตามมันนั้นเป็นเหยื่อล่อของมันเป็นเหยื่อล่อเป็นเหยื่อล่อให้เราไปเข้ากับดักของมันพอไปแล้วไปเข้ากับดักนีไไหนกับดักนะมีลูกมีเต้ามีครอบมีครัว ต้องทุกข์ต้องยากตรงลําบากต้องหาอยู่หากินลําบากทุกข์ยากลําบากผิดข้องมองใจซึ่งกันใกนการต้องอดต้องทนต้องตราตรําทํางานหนักทํางานเบาสารพัดเพราะอะไรเพราะเราไปไปกอดกองทุกข์เราไปกอดกองทุกข์ตัวกองทุกข์แล้วก็ตัวปัญหาแล้วก็ไม่ทราบวิธีแก้ทุกข์ไม่ทราบวิธีแก้ปัญหาก็ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้เรื่องเดียวอย่างเดียว ในความเป็นอยู่นั้นอะขัดข้องมองใหญ่กับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้โทสะเกิดขึ้นมาแล้วเดิมหน้าของความหลงไม่รู้จักพิจารณาว่าอันนั้นคืออะไรไม่รู้จักพิจารณามาถึงจิตว่าทําไมจิตต้องเป็นไปอย่างนั้นนี่เดิมาน้าของความรุ่มหลงสิ่งเหล่านี้มันชอบแทรกเข้ามากับจิตที่มืดมืดึดถกถจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ไม่มีสติจิตที่ไม่มีปัญญา ไม่มีอะไรเป็นเครื่องไม้เครื่องมือมาปกป้องคุ้มครองจิตของตัวเองในที่สุด่าไปหลงเพลินกับวัตถุตามทั้งหลายทั้งปวงภายในจิตเขามีแต่ความรักมีแต่ความใคร่กิเลสกามเต็มหัวจิตหัวใจนี่คือภาวะของจิตของเราเราสังเกตดูวันวั น, ว น, วนมันไปอย่างไงบ้างมันอยู่อย่างไงบ้างมันไปยังไงบ้างเราสังเกตไหมถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราเจริญสติ เราเจอสติตามมันระลึกรู้รู้ที่ไหนรู้ที่จิตรู้เฉพาะจิตก็ได้เอาจิตมารู้กายรู้เฉพาะอ่ายก็ได้กายขยับยืนขยับเดินขยับนั่งขยับนอนหรือเรานั่งอยู่เฉพาะที่เราก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมก็เป็นกายเราตามระลึกรู้กาย มีลมเป็นที่อยู่มีลมเป็นเครื่องอยู่มีลมเป็นอารมณ์เอาสติสัทธวารลึกรู้ไม่มีเราไม่มีเขาเข้าไปอยู่ในสติไม่มีเราไม่มีเขาเข้าไปอยู่ในลมไม่มีเราไม่มีเขาเข้ามานั่งอยู่มองเห็นกายก็สัทธวกายไม่ได้ซึมซาบไม่ได้ผูกพันไม่ได้มีความใคร่มีความยินดีมีความอะไรเห็นก็สัทธวเห็นรู้รู้ลมลมก็ปรนเปรกกาย ลมก็เป็นพลนเปลือกายทําไมลมถึงพลนเปลือกายเพราะระบบลมของกายมันเป็นระบบระเบียบของมันมันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อระบบการหายใจเนี่ยถ้าไม่มีลมหายใจไม่ได้หายใจเข้าไปหายใจออกมาแล้วไม่เข้าไปร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้หายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะ ร่างกายนี้จะต้องหายใจเข้าจะต้องหายใจออกตามระบบระเบียบของชีวิตเนี่ยลมเป็นใหญ่เป็นชีวิตตินชีวิตตินสีระดับเป็นใหญ่ในชีวิตทีเดียวมีอะไรมามาขัดขวางลมเช่นอย่างมาปิดจมูกมาปิดปากหรือแม้ว่า ม, ามัดคอเงี้ยเหมือนอย่างเขาผูกก่อนกึ๊บเดียวเน่ะลมเข้าก็ไม่ได้ออกไม่ได้ก็ไปเลยทันที มีเขือนอำนาจของลมเรามาดูสิ่งเหล่านี้ลมศัพท์ทว่าลมลมก็สัพท์ทว่าเป็นธาตุร่างกายก็สัพท์ทว่าร่างกายร่างกายก็สัพท์ทว่าเป็นธาตุหายใจเข้าหายใจออกเพราะระบบระเบียบ ม, มันเป็นอย่างนั้นปอดนั่นแหละมันหายใจเข้าหายใจออกลมเข้าไปก็พองลมออกมาก็แฟบก็เลยวันไหวตัวอยู่ตลอดเวลาไหวตัวอยู่ตลอดเวลา แล้วก็กำหนดพิจารณาดูลมเข้าไปมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี่ก็เป็นการพิจารณาตามกายเข้ากับหลักที่ครูบาอาจารย์ของเราท่านสอนให้เรากำหนดพุดโทโธนี่แหละตื่นอยู่กับพุโทโธรู้อยู่กับพุโทโธเอาพุโทโธเป็นอารมณ์สติกํากับในบทว่าพุโทโธแล้วก็กํากับด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออก หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหน้านมาทาก็คือระลึกคำว่าพุทธคำว่าโทพร้อมกับกำหนดจดจอไปที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราทำไปทำจนได้รับความสงบในขณะที่เราทำก็คือเป็นการปิดกัน้นเป็นการทำพูดตื่นให้ตื่นอยู่เป็นการทำความสว่างของจิตให้สว่างยิ่งขึ้น เป็นการทําความสงบคือสมาธิเนี่ยให้สมาธิแนบแน่นมั่นคงมากขึ้นมีสมัมผัสัญญะแนบแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นมีความตื่นตัวมีความรู้สึกตัวมีความรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ตลอดทุกระยะทุกเวลานาทีนี่คือการสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งขุมพลังมาที่จิตของเราเนี่ยไม่ให้กิเลสตัณหาอาสวะมันมาแทรกดูกายให้เห็นส ก, กายสัตว์กายเราดูไปลราดูไปลราดูไป สมกหน่ึ่งเจ้าของมันมาทวงเอาละเจ้าของมันคือตันหานแหละมันมาทวงแล้วกายเจ็บกายปวดนมันชักจะทนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันกายของมันอุปาทานภายในกายจิตมันยึดกายมันอุปาทานภาในกายเพราะมันโผล่มาปั๊บเพราะเราอยู่ในงานเนยกําลังทํางานอยู่เฉพาะหน้าที่ตเกียงว่าหน้างานเนี่ยเพราะมันโผล่มาปั๊บเราก็ทราบมันก็ดับโผล่มาปั๊บเราก็ทราบ มันก็ดับโผล่มาปั๊เราทราบมันก็ดับหนักหเข้ามันก็ค่อยๆอ่อนแรงเข้าไปเรื่อยเราก็เห็นธรรมาชาติของสิ่งที่จะค่อยโผล่ขึ้นมาเราก็เห็นธรรมาชาติของกายของเราโดดเด่นเราเห็นธรรมาชาติของจิตของเราโดดเด่นเกิดความแนบแน่นเข้ามาเกิดสติเข้ามาเกิดสัมผัญัญญะเข้ามาแนบแน่นเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพิจารณากายสัตวก า, าย เจ็บปวดขึ้นมาในขณะที่เรานั่งนานๆมันก็มาพิจารณาความเจ็บความปวดเลื่อนจากกายมาเป็นเวทนาจากดูกายก็มาดูเวทนาเวทนามันเจ็บมันปวดครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ดูดูไปที่ทุกข์ที่เราต้องอดต้องทนว่ามันเจ็บมันปวดตรงไหนก็ตามตรงหลังตรงตรรัวโพกตรงหัวเขา่าในขณะที่เรานั่งนานๆเราไม่เปลี่ยนมันปวด เวทนามันเกิดจากกายเวทนาเกิดที่กายแต่เวทนาไม่ใช่กายกายก็ไม่ใช่เวทนาเวทนาก็ไม่ใช่กายกายรัชตะวะกายเวทนากรัชตะวะเวทนามันเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกายจิตผู้รู้ว่ากายเป็นกายว่าเวทนาเป็นเวทนานี่ก็อันหนึ่งคือจิตที่มีสติจิตที่มีสัมผัจัญญากำหนดจุดจ่อกากับอยู่ถ้าจิตไม่รู้จิต ปล่อยจิตวางจิตไม่ระมัดระวังในหน้าที่ของตนมันก็ปล่อยกิเลแสแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาว่ากายเจ็บแทรกเข้ามาว่ากายปวด น, นะพอแทรกเข้ามาว่ากายปวดก็คือแทรกคําว่าอัดตาตัวตนก็แทรกเข้ามาโอ้เราเจ็บโอ้เราปวดนะพออุปาทานตัวนี้มากําเริบเสรบสารที่จิตปั๊บเนี่ยความทุกข์กองทุกข์ทั้งหลายก็มาทับถมจิตมาทับถมจิตทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะเรายึด ก็เพราะเรายึดว่ากายเป็นกายเรายึดว่าเวทนาเป็นเวทนาเราถ้าเราเห็นว่าสัตว์แต่ว่าเวทนาถ้าเราเห็นสัพแตว่าเป็นกายอาศัยสติสัพแต่ว่าเป็นเครื่องระลึกเครื่องรู้โดยไม่มีตัญหาไม่มีอุปาทานเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นก็สัพแตว่าเห็นกลายเป็นธรรมชาติกายกสัพแตว่าธรรมชาติเวทนากสัพแตว่าธรรมชาติจิตก็สัพแตว่าธรรมชาติจิตมีสติมีสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่ ทางนี้กิเลสตันหาอ ส, สุภะแทะเข้ามาไม่ได้คือเราอยู่หน้างานเราเยียมเพาะงานมีาการภาวนาทำจิตให้ได้รับความสงบสงบประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะประกอบไปด้วยอาตัะปะคือพระคับประครองดู ง, งานเยีเพาะหน้าไปเรื่อยๆเราจะเอาสติระลึกรู้ยับยับโดยไม่ตามพิจารณาไม่ได้สติมันเป็นเครื่องกั้นเฉยๆเป็นเครื่องกั้น ไม่ให้กิเลสตันหาสว่ามันแทรกเข้ามาอในเมื่อมันแทรกเข้ามาไม่ได้มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับว่าเราปิดประตูไม่ให้มันเข้ามาแต่มันมันมีอยู่ในก้นบึ้งก้นลึกของหัวจิตหัวใจของเราเนื่องจากว่ามันคอยยับออกมาเพื่อยึดเพื่อถือเนี่ยด้วยเหตุที่หลงนั่นแหละถึงยึดถึงถือในขณะที่มันไม่แยับออกมาเนี่ยเราก็เอาสติเอาสัมผััญญาเนี่ยมาพิจารณามาคลี่คลาย เพื่อให้จิตมันจำหนอนเพื่อให้จิตมันยอมรับว่ากายนิสักเทว่าเป็นกายจริงๆประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจริงๆดินก็สักเทว่าเป็นดินน้ำก็สักเทว่าเป็นน้ำลมไฟก็สักเทว่าเป็นลมเป็นไฟไปเป็นธาตุทั้งสี่อาศัยได้มาจากพ่ออาศัยได้มาจากแม่เจริญวัฒนาทาวรขึ้นมาภายในตัวของตัวมันเองมันก็เสื่อมไปมันก็สิ้นไปเราต้องเอาวัตถุใหม่มาเพิ่มเข้าไปให้มันเรื่อยๆ ข้าวปลาอาหารที่เราใส่เข้าไปเป็นการไปเพิ่มภูนธาตุดินธาต้น้าธาตุลมธาตุไฟให้ทรงตัวอยู่ได้มีชีวิตชีวามีชีวิตจินจริงอยู่ได้ดูให้ให้เห็นให้เข้าใจแล้วเราก็จะจะได้ความเบาอเบาใจจะได้เป็นการปล่อยภาระทางด้านจิตใจการการพิจารณากายมันเจ็บมันปวดเนื่องจากว่ามันขัดมันคล้องมันไม่สะดวก กายนี้มันทำงานทุกระยะทุกเวลาส่วนใหญ่ก็ทาส่วนใหญ่ส่วนย่อ่ก็ทำส่วนย่อยทุกชิ้นทุกส่วนในร่างกายเนี่ยมันทำงานทุกระยะมันไม่มีอยู่คงที่การที่มันทำงานทุกระยะมันไม่คงที่อันนี้แหละมันเป็นการมาบดเป็นการมาบดเป็นการมาอัดกายของเราเนี่ยให้เป็นให้ไปไม่ให้คงอยู่กับที่คือสังขารเนี่ยมันบีมันคั้นกายให้เป็นไปตาม ภาวะของมันเป็นปัจจัยอำนาจของมันที่ทันเรียกว่าอนิจจังนิจจังหรือทุกขังมันไม่คงที่ของมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยไหลเวียนไปเรื่อยโลหิตก็ไหลเวียนไปเรื่อยในร่างกายของเราเลือดลมก็ไหลเวียนไปเรื่อยเลือดก็ไหลเวียนไปเรื่อยโลหิตไหลเวียนไปเรื่อยลมก็สูดเข้าสูดออกไหลเวียนไปเรื่อยที่เป็นเลือดที่เป็นเนื้อที่มันจะเจริญทุก อนูทุกปรามนูทุกเซลทุกส่วนในร่างกายของเรามันก็ไม่คงที่มันก็ขยับไปเรื่อยมันเจริญเข้าไปเรื่อยมันเสื่อมเข้าไปเรื่อยมันสิ้นเข้าไปเรื่อยมันเพิ่มเข้าไปเรื่อยมันพองเข้าไปเรื่อย <parce them> ตามเหตุตามปัจจัยของมันนี่คือคือความไม่คงที่นี่คือทุกทุกลักษณะของมันอันนี้จะลักษณะของมันก็คือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่คงที่นี่ร่างกายนี้เป็นรูปธรรม มีทุกขสภาวะของมันเป็นประจำทุกขสภาวะของมันก็คือมันไม่คงที่ไม่คงที่ของมันก็เป็นทุกขังมันเปลี่ยนไปก็เป็นอนิจจันอนิจจังทุกขังอันนี้เป็นทางหลวงเป็นทางเอกเป็นทางเดินของของคติกายอันนี้คติกายอนี้มันเดินไปตรงนี้มันเดินไปตรงนี้เราไปเบนไปเบี่ยงไปขัดไปข้องมันไม่ได้มันจะเดินไปตรงนี้ เราจะไปบีบจะไปบังคับบัญชาไม่ให้มันเปลี่ยนไปอย่างนี้เปลีป่ยนไปไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนไปตามภาวะของมันเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอนัตตาอนตตาเราบังคับบัญชามันไม่ได้จะมาทํำยังไงก็ตามบังคับบัญชามันไม่ได้เหมือนอย่างเราเจ็บแค่ใดป่วยปวดตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นโรคตรงนั้นเป็นโรคตรงนี้มาเร่งตรงนั้นมาเร่งตรงนี้หมอมาดูแลรักษาเรพยายามไปดึงเอาตัวที่แปลกปลอมในร่างกายออกเท่านั้นเองร่ารรงกายก็ปล่อยเป็นไปตามภาวะของมัน ต้องมีเลือดไปสูบไปฉีดไปหล่อเลี้ยงต้องมีอาหารเข้าไปป้อนต้องมีลมหายใจเข้าไปหายใจไม่สะดวกก็ใช้ออกซิเจนเข้าไปให้ปอดมนทำงานได้สะดวกให้หายใจได้สะดวกนี่คืออะไรก็คือไปเสริมธรรมชาติที่มันกำลังจะเสื่อมไปกำลังจะสิ้นไปไปเสริมให้กับมันเสริมหนัหนักเข้าเสริมหนัหนักเข้ามันหมดภาวะมันหมดสภาพของมันมันก็ทิง มันก็ทิ้งลมหายใจทิ้งลมหายใจคือตายเมื่อตายไปแล้วธาตุต่างๆมันก็เริ่มแยกออกจากกันละธาตุไฟก็เริ่มดับพอลมหมดแล้วธาตุไฟก็เริ่มดับธาตุไฟก็เริ่มดับธาตุดตินกับธาตุน้ําก็เริ่มแปรปลวนเราจะเห็นว่ามันเริ่มแปรปลวนจากผิวผุดพองธรรมดากลายเป็นผิวซีดหนักๆเข้าเป็นการ ที่ต้องตึงเป็นการที่ต้องบวมเป็นการที่ต้องปริและกลิ่นต่างๆภายในร่างกายนี้ก็จะเริ่มแสดงออกมามีกลิ่นออกมาทั้งปากมีกลิ่นออกมาทั้งหูมีกลิ่นออกมาทั้งจมูกมีกลิ่นออกมาทั้งทวารหนักมีกลิ่นออกมาทั้งทวารเบากลิ่นนี้เป็นกลิ่นของคนตายเป็นกลิ่นของคนตายกลิ่นของคนตายที่ออกมาจาก ทวารทั้งเก้านี้กับกลิ่นของคนเป็นมันเหมือนกันไหมเหมือนกันมีกลิ่นเหมือนกันแต่พอหมดลมหายใจไปแล้วนี่อันนี้เป็นกลิ่นที่รุนแรงมากอันนี้คือความปฏิกูลคือความโสโครของอัตภาพของร่างกายแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาดูอย่างนี้เนี่ยเพื่อทำลายความยึดความติดความยึดความติดทั้งนี้เนื่องจากว่ามันยึดว่าเป็นเราเพราะดูไปให้เห็นศักดิ์ทว่าเป็นธาตุมันเกาะกลุ่มกันอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ มันมีที่มาของมันอย่างนี้มันมีที่ตั้งอยู่ของมันอย่างนี้แล้วก็มันมีที่ไปของมันอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไปได้ดูให้เห็นให้เห็นโทษให้เห็นภัยในการที่เราต้องมาดูแลต้องมารับผิดชอบต้องมาทนทุกข์ทรมานต้องมาทนแบกต้องมาทนหามนี่คืออัตภาพร่างกายเราท่านกิดให้ได้รับความสงบแล้วเราก็ใช้สติสติที่มีจิต ได้รับความสงบนั่นแหละสติของคนมีสมาธินั่นมันเป็นสติที่แหลมันเป็นสติที่คมมันเป็นสติที่มีกําลังมันเป็นสติที่แน่นหนามันคงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กําหนดให้จิตได้รับความสงบเมื่อจิตได้รับความสงบมากๆสติก็เด่นสติก็มีกําลังกล้าสติก็มีความคมพร้อมที่จะวิ่งผสมผสานทํางานได้อย่างคล่องแคล่วคล่องเนื้อคล่องตัว เพราะฉะนั้นถึงคราวที่เราจะทําห้จิตได้รับความสงบเราก็ทําไปนะเมื่อสงบสมควรแก่เวลาเราก็เอามาพิจรารณาโดยไม่ทิ้งหลักของสติไม่ทิ้งหลักของสติที่เราเรียกว่าสติปัฏฐานนะเอาสติเป็นที่ตั้งเอาสติเป็นที่ตั้งเพื่อไม่หลงไปตามอารมณ์ที่มาย่ยยุกิตนะให้เพลินไปกับรูปเพลินไปกับเสียงเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆที่มาผ่านจิตนั่นแหละ ทำตัวเหมือนกับเรานั่งเฝ้าบ้านใครผ่านหน้าบ้านมาเราก็ทราบใครผ่านหน้าบ้านมาเราก็รู้ใครผ่านมาเราก็รู้ใครผ่านมาเราก็รู้รู้แล้วก็ทิ้งไปรู้แล้วก็ผ่านไปประสบพบเห็นสิ่งนั้นสิ่งใดๆก็ตามพบแล้วก็ผ่านไปพบแล้วก็ผ่านไปอืพบแล้วก็ผ่านไปอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามาแล้วก็ผ่านไปมาแล้วก็ผ่านไปที่สํำคัญก็คือทำจิตให้ได้รับความสงบ เมื่อจิตสงบมันเป็นขุมพลังขุมพลังเราจะเอาไปพิจารณาก็ตามเราไม่เอาไปพิจารณาเรายืนตรงไหนเรานั่งตรงไหนเราเดินตรงไหนมันกันแนบแน่นมีความชุ่มชำมีปีติมีความสุขเมื่ออ่า<จบ>เรานั่งภาวนานเ้านั่งภาวนานัน่งภาวนานดว ไ, ด, าไ ด, าด้ได้รับความคล่องตัวได้รับความสะดวกได้รับความสบายถ้าเราจะเทียบเหมือนกับเรารับทานอาหารรับทานอาหาร อ ร, อร่อยเพลินไปกับการรับประทานอาหาร อ, ร, อร่อยคือหมายถึงการเจริญความสงบทำจิตให้ได้รับความสงบได้รับความเช่มชื่นได้รับความเบิกบานได้รับความเบาอเบาใจอันนี้มันเป็นคุณสมบัติของมันคุณสมบัติอันนี้แหละเป็นวิหารธรรมที่เรากําหนดจิตให้ได้รับความสงบเพื่อเอาอันนี้แหละเป็นเครื่องหลบมาอยู่ และในขณะที่เราหลบอยู่มันก็เป็นการหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตใจมองเราให้อิ่มให้เอบให้มีกําลังให้มีพลังการพิจารณาก็คือใช้สติไปทุกเนื้พิจารณาไปพิจารณาจนเกิดปัญญาญานจนเกิดวิปัสสนาญาณจนเกิดญาณทัศนะ์อันนั้นหมายความว่าเราต้องขบเคี้ยวเคี้ยวงานนี้พระราจเทียวเหมือนกับเราเคี้ยวน้ํามันมะพร้าวนั่นแหละเคี้ยวไปเคี้ยวไปเคี้ยวไปเคี้ยวไปจนขึ้นเป็นน้ํามัน เปลี่ยนไปตามภาวะของมันเองถ้ายังไม่ได้ที่มันก็ไม่เปลี่ยนพวกความรู้ความเห็นความเข้าใจ ท, ที่เรียกว่าปัญญาหรือปัญญายานตราบใดที่เรายังขบยังเที่ยวยังเคี้ยวไม่ถึงมันก็ไม่เกิดในเมื่อมันยังไม่เกิดเราก็ตั้ง อ, อกตั้งใจทำไปในขณะที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจทำจิตก็ได้รับความสงบจิตก็ได้รับความสุข ถึงแม้ว่าปัญญาญาณต่างๆเหล่านั้นที่จะทําให้เราได้ประสบพบเห็นแล้วครับตัดกิเลสตัณหาอาสวะได้เป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นยังไม่เกิดก็ตามหาเราะจะําเป็นจะต้องทําทําไปอยู่อย่างนี้เรื่อยๆก็สะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยอยู่กับเนื้อกับตัวทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีอยู่กับความสงบเหมือนกับเรายืนอยู่กับที่อย่างมีกําลังอย่างมีพระอย่างมีกําลัง พอจะขยับขยายพอจะก้าวไปเราก็ค่อยๆก้าวเข้าไปเหมือนกับว่าเราค่อยขยับขยายมาพิจารณาเราก็ทําสลับกันไปอยู่อย่างนี้แหละอันนี้เป็นหนทางเป็นเส้นทางเป็นวิถีทางที่จะทำให้เราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจจากการตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจทำลายความล่มหลงของจิตดวงนี้เอาสติมากากับมันเอาสัมปชัญญะมากากับมัน มันก็อยู่ในอำนาจของเราคำว่าเราในที่นี้คืออำนาจของสติของปัญญานี่แหละคำว่าสติหรือปัญญาก็คือหลักของข้อปฏิบัตินั่นแหละข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องศีลเราก็ตั้อกตั้งใจรักษามาโดยสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้ขาดตกบกพร่องจะเป็นเหตุทำลายพื้นฐานภายในจิตใจของเรา ถ้ า, าทำลายพื้นฐานภ า, ายในจิตใจของเราแล้วเวลาเรามาเจริญความสงบมันก็มายุ่ยใหญ่จิตไม่ให้ได้รับความสงบในเมื่อเราทําตั้ง อ, อกตั้งใจรักษาให้แน่นหนามั่นคงแล้วเราต้องการจะเจริญจิตให้ได้รับความสงบมันก็เป็นเครื่องหนุนจิตไม่ให้จิตต้องวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องก็ทําให้จิตได้รับความสงบได้รับความเยือกเย็ยนโดยเร็วจิตสงบก็คือจิตดวงนี้ จิตมีสติก็คือจิตตรงนี้นีจิตมีสัมปชัญญะก็คือจิตตรงนี้จิตมีปัญญาก็คือจิตตรงนี้สติสัมปชัญญะกับปัญญากับอาตปะคือความเพียรประคับประคองไปอันนี้คือเครื่องมือคือเครื่องมือที่เราจะถุดเครื่องมือที่เราจะเจาะเครื่องมือที่เราจะมากำหนดให้สงบเครื่องมือที่เราจะมาคลี่คลายให้เกิดความรู้ทางด้านปัญญา ตรายปัญญาญาณยังไม่เกิดเ้าก็เจริญไปเรื่อยๆเป็นการเจริญปัญญาพื้นพื้นภาคพื้นธรรมดาธรรมดาถ้าว่าเป็นสติก็เป็นสติธรรมดาธรรมดาเป็นภาคพื้นเป็นธรรมดาธรรมดาไปจนกว่าเราจะเจริญไปแล้วเป็นไปเองโดยอัตโนมัติของมันธรรมะก็เริ่มปรากฏธรรมะก็เริ่มขึ้นจากพื้นพื้นสติธรรมดาจนกลายเป็นมหาสติคําว่ามหาสติคือแน่นหนามันคงแล้วเอาไปสาไปส่งไปใส่อะไรนี่ ถ้าเป็นน้ำกับมือเขาบอกไปสาดใจแล้วก็เป็นการชักล้างให้สะอาดไปหมดเอาไปซองอะไรก็ทะลุผูกโปร่งไปหมดเห็นสิ่งนั้นตามมีตามเป็นของมันตามมีของมันตามเป็นของของมันตามภาวะของมันของมันเห็นแต่ว่าสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติไปทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสิ่งที่เห็นก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสิ่งที่เป็นอยู่ข้างในก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่มีที่เป็นไปตามธรรมชาติทั้งหมดหาอัตตาตัวตนที่จะไปเกี่ยวข้อง กับสิ่งที่เราเข้าไปดูนั้นไม่มีเพราะมันโผล่เข้ามาไม่ได้เนี่ยจิตของเราก็มีกําลังจิตของเราก็พร้อมที่จะทํางานใั้นละเอียดเกินนั้นเข้าไปอีกเราพูดอย่างอื่นมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราพูดถึงสติภายในจิตของเราเราพร้อมที่จะเอาสติของเรานมาทํางานสติคือเราลึกรู้ร่ออยู่เฉพาะหน้าอยู่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ เราหันมากำหนดจดจอดูมันโโรอยู่พราประกอบไปด้วยสมาธิมีสติมีสามัญญะแล้วก็พร้อมที่จะทําให้จิตนั้นอยู่เพราะจิตอยู่นั่นแหละไม่โดดดิ้นไปนู้นไปนี้ท่านเรงว่าสมาธิจิตมีสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตเกิดสมาธิจิตเกิดความตั้งมั่นตั้งมั่นภายในกายนี่แหละตั้งมั่นภายในอกของเรานี่แหละตั้งมั่นภายในใจของเราเนี่ย เป็นกิจที่แน่นหนามัน่นคงไม่เปล่าไม่บอบไม่บางพร้อมที่จะไหวไปตามอารมณ์อารมณ์อะไรผ่านมาก็ทราบอารมณ์อะไรผ่านมาก็รู้อารมณ์อะไรผ่านมาก็รู้เป็นการอยู่เป็นตัวของตัวเระวังระวังตัวของตัวไม่หลงเพลินไปกับอารมณ์ที่มายุเย้ยภ า, ายในจิตของเราได้ไ ง, ง่ายๆเีื่อเราดูมาที่นี่เราเห็นงานเราเห็นข้อปฏิบัติเราเห็นงาน เราดูไปที่อื่นดูไปที่อื่นก็ดูไปเป็นครอบเปรียบเทียบดูไปข้างนอกเหมือนกับว่าเราดูไปพอเป็นครอบเปรียบเทียบไปเห็นข้างนอกยังไงร็เอามาเปรียบเทียบข้างในเห็นร่างกายของเรายังไงดูไปเปรียบเทียบข้างนอกกับร่างกายของคนอื่นเห็นร่างกายของคนอื่นเป็นไงก็เอามาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราหลักความจริงของข้างนอกเป็นยังไงหลักความจริงของข้างในภายในกายของเราก็เป็นอย่างนั้น ดูข้างในแล้วก็เทีย่ยบไปข้างนอกดูข้างนอกแล้วก็เทีย่ยบมาข้างในถ้าเราไม่อยากดูข้างนอกเราก็มาดูแต่ข้างในอของเราอย่างเดียวมีกายตัวเดียวมีกายอัตภาพเดียวก็มีจิตดวงเดียวก็หมดจอดจอด่องอยู่นี้แหละอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพัธ์ก็รู้อยู่เข้าใจอยู่อยู่ตรงนี้เนี่ยอาศัยความภาคความเพียรอาศัยความอดความทนอาศัยความประครับประคองความตั้งอกตั้งใจ เราก็จะได้ประสบพบเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดสรย์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราไปเรื่อยๆต้องกดต้องทนะไรเกิดขึ้นไปจ่อเข้าไปเทียนนั้นแนหะจิตใจรู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็จ่อเข้าไปเทียนนั่นแหละงูดงิดก็จ่อเข้าไปคเครียด ก, ก็จ่อไปนั่นแหละอารมณ์อะไรผ่านมาจ่อจับมานั้นแหละอะไรผ่านมาจ่ออันนั้นจับมานั้นแหละเวทนาทุกขเวทนา โผล่ขึ้นมาจ่อเข้าไปใส่ทุกขเวทนาเนี่ยเอาจิตเข้าไปอยู่ตรงนั้นแหละฟาดเข้าไปตรงนั้นเลยจ่อเข้าไปจิตกายจ่อเข้าไปที่เวทนานกาหนดย้อนมาที่จิตจ่อไปที่ผู้รู้นั่นแหละจ่อไปถูกอะไรก็ลองจ่อไปดูกำหนดจ่อเข้าไปอารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจ่อมันเลยเหมือนกับยิงมันเลยจ่อเอาอะไรจ่อสติเขาไม่จญญาเนี่ยแหละจ่อ กาจรจ่อเป็นการฉลอเป็นการฉลองให้เกิเลยมันเกิดทันใจเวลาเราคุ ย, คยลงไปเป็นการพิจารณาคลี่คลายให้เกิดความรู้เกิดความเห็นให้มีความเข้าใจในสังขารนั้นไม่งั้นมันก็พาหลงหลงอะไรหลงกายไปยึดกายหลงรูปไปยึดรูปยึดรูปเข้ามายินดีกับรูปยินร้ายกับรูปยึดเสียงเข้ามา ยินดีกับเสียงยินร้ายกับเสียงไอ้ยินดีกับยินร้ายคือมันยึดแล้วแหละแต่ต้าเห็นแล้วสัพทว่าเห็นแล้มันปล่อยไปอันนี้คือสัพทว่าเห็นเห็นก็คือสัพทว่าเห็นไม่ยึดเข้ามาไม่ผลักออกไปได้ยินก็สัพทว่าได้ยินไม่ยึดเข้ามาไม่ผลักออกไปได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้สัมผัสนี่แหละเป็นเหตุให้เราต้องไปพิจารณา เห็นเหตุให้เราต้องได้พิจารณาร่างกายของเราสัมผัสเย็นสัมผัสร้อนสัมผัสอ่อนสัมผัสแข็งโดยภาวะของจิตมันสัมผัสทุกระยะทุกเวลามันสัมผัสกับอะไรจิตมันสัมผัสกับอารมณ์มันกระทบอารมณ์ผัสสะของอารมณ์ผัสสะก็คือการสัมผัสจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัส คิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเห็นไหมจิตของเรามันสัมผัสทุกระยะทุกเวลาถ้าหากสัมผัสโดยไม่มีสติไม่มีสัมผัจัญญาเนี่ยกิเลสมันก็แทรกเข้ามาแทรกเข้ามาทางสัมผัสตานั่นแหละทางสัมผัสรูปนั่นแหละแทรกเข้ามาทางหูทางเสียงนั่นแหละแทรกเข้ามาทางจมูกทางกลิ่นแทรกเข้ามาทางลิ้นทางรสแทรกเข้ามาทางกายเวลาสัมผัสนั่นแหละสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสนิ่ม สัมผัสแข็งสัมผัสกระด้่งมันสัมผัสมาหมดแหละถ้าเราไม่ติดในสัมผัสสัมผัสก็สักทวะสัมผัสเราลองพิจารณาดูสัมผัสสักทวะสัมผัสเช่นอย่างลมมันผิวมาสู่กายของเรามันเย็นๆเนี่ยเราจ่อไปที่จ่อไปที่สัมผัสเนี่ยลมมันมาสัมผัสที่กายนกายแล้วสัทวะกาย ไอเย็นผิวที่ผิวนั่นก็สักทวาเย็นจิตผู้รู้จ่อเข้าไปก็สักทวายจิตเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนันเดียวกันของการดูอารมณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัมผัสไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นรสไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นรูปมันมีภาวะอันเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ําหมดจะ จ, จ, จอันใดอันหนึ่งให้มีความชำนิชำนาะให้มีความคล่องแคล่วจน เกิดความเชื่อมั่นว่าศักดว์ทเป็นธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งอยู่ภายในทั้งอยู่ภายนอกทั้งสิ่งที่เขาไปเกี่ยวข้องก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตามภาวะของมันมีขึ้นตามภาวะของมันเกิดขึ้นตามภาวะของมันมีขึ้นตามภาวะของมันใช้ความรู้นี่แหะซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปก็คือซ่อนไปรู้เช่นอย่างมันกาลังสงสัยอยู่ มันกําลังสงสัยอยู่จิตกระซ่อนเข้าไปโอ้รู้ว่ามันสงสัยนี่ถือถือว่าทันนะรู้ว่าสงสัยถ้ารู้ว่ามันสงสัยอันนี้ถือว่ายังเป็นการกั้นกระแสไปกั้นกระแสเช่นอย่างเราเห็นสิ่งของสิ่งนี้โอ้เราสงสัยเราสงสัยว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะเปิดดูเรารู้ว่ามันสงสัยนี่มันก็เป็นการกั้นทําให้อยู่ได้ แต่ถ้าเป็นการใช้ปัญญาก็คือสาวไปสาวไปก็คือไปเปิดดูไปเปิดดูให้รู้ให้ใหเห็นให้เข้าใจนี่เป็นการใช้ปรรัญญาเข้าไปคลี่ไปคลายไปเรื่อไปขุดปุ้ยไปคนพอไปดูแล้วไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรมันก็หมดสงสัยหรือไม่ก็ไปเห็นนู่นไปเห็นนี้ไปเห็นสิงนู้นสิ่งนี้โอ้อันนี้เองแล้วก็หมดสงสัยหมดสงสัยแล้วเราก็ทิ้งไว้อันนี้เป็นข้ออุปมา เหมือนครูบาอาจารย์ท่านท่านบอกว่าผ่านมาแล้วเราก็จับดูจับดูแล้วกวางมันผ่านมาแล้วเราก็จับดูจับดูแล้วกวางผ่านมาในขณะนั้นเราก็ตรวจจดจออยู่มันผ่านมาอารมณ์ในก็ตามผ่านมาผ่านมาแล้วก็จับดูสติปัญญาพิจารณาทุกอย่างแล้วกวางจับดูแล้วกวางจับดูแล้วกวางการทำงานแบบนี้เป็นการทำงานเพื่อให้จิตของเราซึมทราบ รู้เข้าใจไปกับหลักภาวะตามธรรมชาติกายหลักภาวะตามธรรมชาติจิตในขณะที่เราทำงานกิเลสตัณหาอาสวะมันก็แทรกมาไม่ได้เพราะเรากำลังอยู่ในหน้างานถ้ามันแทรกเข้ามามันก็หัวขาดแทรกมาปุ๊บโผล่มาปุ๊บแล้วก็ตะคุบ ป, ปับ๊บสติปัญญามันคมพุบปั๊บมันก็ดับหายไปแหละมันหมดกำลังไปมาก สติปัญญาเรายิ่งได้กำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันไม่หายไปไหนมันยังอยู่ภายในจิตแล้วก็หมดจอดจอ ด, จอดตามก็ไปไ ป, ไปรือดูไปควนดูถ้าว่าเป็นศัตรูก็ไปเปิดดูไปไล่ดูจนมันหนีไปหมดอะไม่มีอะไรเหลือที่จะมาคอยซุกซ่อนแอบทำร้ายเรามี ม, มีคือเราพิจารณาใจตรองคข้ครวนในหนทางในข้อปฏิบัติภายในจิตของเราดูมาแล้วไข่ค ร, ครวนพิจารณาภายในจิตของเรานี่แหละ ให้เกิดความรู้ใหเกิดความเข้าใจให้ได้รับความสงบให้ได้รับความอิม่มเอิบให้ได้รับความเบิกบานไม่งั้นเราก็หลงวันบานคืนลงไปเราก็อยู่กับความหลงหลงเพลินไปกับอารมณ์อารมณ์ก็ไม่มีอะไรมากอารมณ์รูปอารมณ์เสียงอารมณ์กลิน่นอารมณ์รสแต่ด้วยเหตุที่รเราไม่กำหนดจนะิตจอมันผ่านเข้าผ่านออกไม่มีระยะไม่มีเวลาเรานั่งหลับหูหลับตาแล้วมันก็ยังมีอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผลตภามาสัมผัสมาสัมผัสที่จิต อารมณ์ต่างๆเหล่านี้เราจะปฏิบัติยังไงกระมันเราก็ปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราได้ประสบพบเห็นจริงกันแหละมันรูปโผล่เข้ามาเป็นรูปประสัญญาเราจะทำงานอย่างไรแต่ว่าจ่อใส่รูปเนะี่ยเสียงโผล่เข้ามาเนี่ยเป็นสัทธะสัญญาเนี่ยสัญญาคือความจำได้หมายรู้ที่มันตกพลึกไปที่จิตนั่นแหละคานะสัญญาสิวหาสัญญาคานะสัญญาแล้วก็ โพธภาษัญญามันโผล่มันโผล่เข้ามาที่จิตแล้วจากที่ไหนจับไปตรงที่อารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละเราก็ปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราเราประสบพบเห็นเมื่อกเราลืมตานั่นแหละเพราะรูปจริงเกิดขึ้นเราก็ปฏิบัติแบบนั้นรูปปลอมคือรูปภสัญญาเกิดขึ้นเราก็ปฏิบัติแบบนั้นเสียงจริงเกิดขึ้นเราก็ปฏิบัติแบบนั้น เสียงปลอมคือ hmm. ส yeah. mm ัท hmm. ส right. like so ัญญาเราก็ปฏิบัติแบบนั้นนี่เราไล่ต้อนตามให้รู้จักอุปกรณ์ให้รู้จักเครื่องหมายเครืองมือให้รู้จักที่เกิดให้รู้จักที่อยู่ให้รู้จักที่หมายให้รู้จักที่เป็นไปของมันเอาอยู่างนี้คนรู้อยู่อย่างนี้แหละพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็มาเจดจ่ออยู่เนี้ยเที่ยวไปจนกว่ามันจะกลายเป็นน้ํามันขึ้นมาพอกลายเป็นน้ํามันแล้วมันเป็นอื่นละมันไม่เป็นทะทิธรรมดาแล้วมันกลายเป็นน้ํามันแล้ว ถ้าเราจะเที่ยวกับเหมือนกับน้ำมนันมะพร้าวแหละที่แรกก็เป็นกะทิคนคนไปคนไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไ ป, วไปมันกลายปเป็นกะทิขึ้นมาแหละสติปัญญาของเราก็เช่นเดียวกันงานที่เราทําเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวไปคน้นไปคน้นไปคน้นไปคนไปจนมันตกผลึกเกิดภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นมาหากเรารู้หากเราเข้าใจด้วยตัวของตัวเราเองใีการทํางาน สิ่สำคัญคือตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจทําลายความรุ่มหลงลตัวนี้สําคัญที่สุดมันเป็นงานที่เราจับเต็มไม้เต็มมือจับอย่างต่อเนื่องตัวนี้สําคัญที่สุดถ้าเราทอดทิ้งส inkles, ิ่งต่างๆเหล่านี้แล้ววันคืนล่วงไปเราก็ไม่ได้อะไรหละไปพลินกับสิ่งนั้นไปพลนกับสิ่งนี้ไปให้ความสําคัญสิ่งนั้นไป notions, ให้ความสําคัญสิ่งนี้รุ่มหลงกับสิ่งนั้นรุ่มหลงกับสิ่งนี้ดีใจกับสิ่งนั้นดีใจกับสิ่งนี้ยุ่งกับสิ่งนั้นเครียดกับสิ่งนี้ ไม่ได้เอาข้อปฏิบัติไปกำกับมันจิตของเราก็อ่อนแอลงไปเรื่อยอ่ อ, อนแอลงไปทุกวันในที่สุดก็กองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่มันมาหมักหมมมาสะสมไปในหัวใจเนี่ยทับท่วมหัวใจในที่สุดก็กิเลสล่าไปทั้งหมดเป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งหมดทํางานทําการวันคืนลงไปทํางานให้มันทั้งหมดงานที่จะมาชะมาล้างมาซักมาฟอกเพื่อเกิดผลประโยชน์ทางด้านศิลทางด้านสมาธิทางด้านปัญญาไม่มีเราจะได้เอาอะไรเป็นกําลัง วันคืนลงไปเราไม่ได้ผลกำไรเรามีแต่เสมอตัวแล้วก็ขาดทุนหรือพิจารณาดี